ที่มาจากกรุงเทพมาจากสุราษฎร์มาจากหาดใหญ่ซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะมาข้าวคอสในการปฏิบัติธรรมประจำปีปีหนึ่งก็สามครั้งขึ้นปีใหม่มกราครั้งหนึ่งแล้วก็เมษาครั้งหนึ่ง ถึงตุลาอีกครั้งหนึ่งจะลงเว็บไซต์นะท่านก็ติดตามดูในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าน่าสงสารญาติโยมทุกทุกท่านบางคนก็ไปหลายหลายที่หลายหลายอาจารย์ เสียเงินเสียทองอย่างมาที่นี้ก็เสียเงินเสียทองจึงอยากให้ท่านทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็ปฏิบัติทั้งที่นี้ทั้งอยู่ที่บ้านทั้ ง, ท, งทั้งทำงานอยู่ที่สำนักงานอย่าลืมว่าการภาวนาอยู่ภายใน ไม่ใช่อยู่ภายนอกอยู่ภายในทางนั้นถ้าเราอยู่กับองค์ภาวนาน้ําท่วมมันก็ไม่ท่วมแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียจนมาถึงหาดใหญ่เราก็ไม่ไหวกับเขาถึงมันจะไหวที่ภูเขานี้เราก็ไม่ไหวเพราะจิตของเรามันไม่เอาแล้ว คือมันจะปล่อยวางถ้าปล่อยวางความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ความกังวลมันจะมีขึ้นมาไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปไว้ตามมันตอนนี้ที่ภูเก็ตก็วิ่งกันวุ่นแล้วกลัวสึนามิจะเกิดแล้วเขาก็จัดการอพยพ คนที่อยู่ที่ริมหาดที่อะไรพวกนั้นเขาก็กลัวว่าสึนามิจะเกิดขึ้นเราไม่ต้องกลัวอยู่บนภูเขานี้สึนามิไม่เกิดแน่แต่ที่สึนามิจะเกิดอยู่ที่ไหนมันก็เกิดได้สึนามิที่ทำให้จิตของเราหวันวหว่นไหวหวั่นไหวหวั่นไหว ถ้าจิตวันไหวแล้วเกิดแน่คือเกิดจิตวันไหวนั่นแหละพอลมพัดมาข้าวหูเพื่อนจะนินทาก็ดีสรรเสริญก็ดีคลื่นเกิดแล้ววันไหวแล้วนี่าระวังผู้ปฏิบัติธรรมอย่าให้มันไหวอย่าให้มันเกิดคลื่นอันนี้คลื่นที่มันมองไม่เห็นแต่อย่างโน้นคลื่นอย่างโน้นมองเห็น คลื่นนี้มองไม่เห็นเกิดทุกวันคลื่นนี้มันเกิดทุกวันแกนั้นเราต้องระวังอย่าให้คลื่นสึนามิมันเกิดจะเกิดแผ่นดินไววจะเกิดภูเขาไฟระเบิดจะเกิดน้ําท่วมจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามอย่าให้หวันไหวอย่าให้จิตนั้นหวันไหวจนกระทั่งว่า รมหายใจนี่มันจำหมดก็อย่าหวั่นไหวทีนี้ไม่หวั่นไหวทำยังไงจิตจะอยู่กับความสงบจิตนั้นจะอยู่กับความสงบถ้าเราปล่อยวางจิตมันสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดมันไม่หวั่นไหวแล้วทีนี้ทำยังไงให้มันถึงจุดนั้นให้ได้เราต้องปฏิบัติ จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเราก็ฟังกันมามากเหลือเกินจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทฟังกันมาทุกครูบาอาจารย์แต่เสร็จแล้วจุดสุดท้ายหายากจุดสุดท้ายคือจุดสุดท้ายนี่คือจิตที่สงบหายากทั้งทั้งที่ว่ามันสงบอยู่บ่อย แต่เราก็ไม่รักความสงบตัวนั้นไม่ได้คิดว่าความสงบตัวนั้นมีคุณค่าเราก็เลยไม่ได้สงบจะนับเงินก็ต้องใช้ความสงบจะเดินก็ต้องสงบจะทานอาหารก็ต้องสงบอะไรก็ต้องสงบจับพวงมาไัยรถก็ต้องสงบแล้วต้องสงบทั้งนั้นต้องใช้ความสงบมาก ทีนี้เราไม่สั่งสมความสงบใช้เปลืองมากความสงบนั้นและไม่รู้จักคุณค่าของความสงบด้วยไม่รู้ว่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือตัวความสงบที่เราเที่ยวิ่งหาไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่เรานี่แหละสำนักนี้ชื่อว่าสำนักวิปัสสนา วิปัสสนานี่ยแปลว่าเห็นเห็นแปลว่าเห็นแจ้งสํานักวิปัสสนาวางสันติบรรพศสันติคือความสงบสันตินั่นแหละคือความสงบความสงบสันตินั้นคือพระนิพพานสันตินั้นคือพระนิพพานพระนิพพานก็คือความสงบทีนี้จะพูดเรื่องธาตุให้ฟังอีก ธาตุแห่งความสงบเรียก ว, วาา่านิโรธธาตุนิโรธทธาตุหรือวิญญาณธาตุก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีจักรวาลมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีอะไรขึ้นมาสิ่งที่มีก่อนอย่างอื่นคือความสงบเมื่อมีความสงบขึ้นมาแล้วต่อไปมันก็เริ่มที่จะขยายออกมา เป็นธาตุเรียกว่าธาตุธาตุตาตุตาตุทอทงทอทงตาตุเรียกว่าธาตุธาตุนี่ธาตุนี่มันมีหลายอย่างธาตุสามมีธาตุสามธาตุสามก็คือรูปธาตุธาตุที่มีรูปอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูป นิโรธาตธาตุาหรับที่จะดับทั้งสองาธาตุนั้นคือดับทั้งรูปาธาตุดับทั้งอรูปาธาตุรูปาธาตุคือสิ่งที่จับต้องได้เปลืองเนื้อที่นั่นคือว่ารูปาธาตุทั้งนั้นจะมีลักษณะอย่างไงจะมีสีอะไรรูปาธาตุทั้งนั้น ยี่อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารูปธาตุอารูปธาตุคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จับต้องไม่ได้เรียกว่าอารูปธาตุทีนี้พอไปนิโรธาตุคือธาตุสาหรับที่จะดับทั้งรูปธาตุและอรูปธาตุหรือเราจะว่าเป็น รูปฌานหรืออรูปฌานมันก็เหมือนกันเลยเหมือนกันลทีนี้ต่อไปธาตุสจากธาตุสามแล้วก็เป็นธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุสธาตุที่ธาตุดินอย่าไปเข้าใจว่าดินที่อยู่ที่พื้นดินที่เราเดินเหยียบอยู่ทุกวันไม่ใช่ ธาตุดินก็อยู่ในเราธาตุน้ํ า, าก็อยู่ในเราธาตุลมก็อยู่ในเราธาตุถถไฟก็อยู่ในเราทั้งสี่ธาตุนี้อยู่ที่ตัวเรานี่อยู่ที่ตัวเราธาตุดินสิ่งไหนที่มันจับต้องได้เปลืองเนื้อที่จะเป็นเส้นผมเอวยขนเอวยเล็บเอวยฟันเอวยหนังเอวยทุกอย่างที่มันจับต้องได้เปลืองเนื้อที่ นั่นชื่อว่ารูประทาศรูเออเรีว่าธาตุดินก็เอาไปนั่นชื่อว่าธาตุดินธาตุดินทางนั้นธาตุที่มันทําให้เอบอาบเรียกว่าเอบอาบมันชื้นแฉะเช่นว่าน้ําเลือดน้ําหนองน้ําปัสสาวะน้ําตาน้ํามูกน้ําลายสิ่งที่เป็นน้ําต่างๆนี่ชืว่าธาตุน้ําธาตุน้ํา ทีนี้ธาตุน้ำไม่ใช่น้ำในหอยในโอง่งในขวดในทะเลในคลองไม่ใช่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้ธาตุดินก็อยู่ที่ตรงนี้ธาตุน้ำก็อยู่ที่ตรงนี้ธาตุลมก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีลมตายตายแน่อยู่ไม่ได้หมดลมแล้วก่อนที่จะหมดลมเห็นไหมอตอนแรกก็หายใจเข้าหายใจออกย า, ยา ว, ยาว หรือว่าปกติพอกล้าจะตายขึ้นมาหายใจออกหายใจออกหายใจออกนี่หายใจออกทีนี้หายใจออกค่อยๆทีเข้าไปทีเข้าไปทีเข้าไปตอนนั้นแหละถ้าคนที่เจรืญว่างก็ว่างว่างว่างว่างว่างเอาไว้ก่อนเลถ้าคนที่ยังไม่ถึงความสงบเรียกว่า ถึงความสงบแล้วก็อยู่สงบสงบสงบสงบสงบสงบให้จิตอยู่กับความสงบสงบสงบสงบไม่เออะไรอยู่กับความสงบอย่างเดียวก็เริ่มต้นที่ว่าเห็นว่ามันจะตายแล้วมันจะดับแล้วมันจะดับแล้วร่างกายนี้อยู่กับความสงบสงบสงบร่างกายมันตายความสงบมันตายไม่ได้ความสงบมันมีก่อนที่จะเกิดจากกวาลนี้ขึ้นมาอีก ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าตายไม่ได้พระอรหันต์ทั้งหลายตายไม่ได้ท่านอยู่กับความสงบความสงบนี้คือเรียกว่าสันติเรียว่านัตถีสันติป ร, รังจุกขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเทว่ามีความสุขก็คือมันสงบเย็นมันอยู่กับความสงบเป็นความสุขที่สงบอ้นี่ความสุข เราก็มีหลายๆอยา่างความสุขทางเนื้อทางหนังความสุขทางตาเห็นของสวยๆงามๆที่เขาหลอกเราก็ชอบน่ความสุขทางตาเราก็ไปหาความสุขทางตากันความสุขทางหูไปฟังเพลงกันอะไรกันความสุขทางจมูกความสุขทางลิ้นความสุขทางกาย ความสุขทางใจนี่เป็นความสุขที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเราจะไม่รู้จักความสุขอันนี้หร้วว่ามันไม่ใช่คือถ้าสิ่งไหนที่มันเกิดดับสิ่งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่มันเกิดดับมันเพราะอะไ ร, เพ ร, ะไ เ, ร เ, เพราะมันไม่มีตัวตนนี่เราต้องเห็นเพราะมันไม่มีตัวตนพรามันไม่มีตัวตน มันก็ว่างจากตัวตนไอ้นี่ที่เราติดกันนักหนานี่ในโลกนี้แหละติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นในรสในสิ่งที่มากระทบแล้วก็ติดอารมณ์เหล่านั้นงานเดียว่าติดเรามีแต่ติดเราติดสุขติดสุขติดสุขที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราไม่รู้ว่ามันเกิดดับเกิดดับฉะนั้นเราจะต้องศึกษา การศึกษาหรือการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เห็นอนิจจให้เห็นอนัตตาอนิจจงอนัตตาดอให้เห็นอนิจจงเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วก็เห็นสุญญาตาสุญญาตาแปลว่าว่างจากครัวต้นห้เห็นเกิดดับหเห็นเกิดดับที่ลิ้นอย่างนี้ลิ้นลิ้นอาหารใส่เข้าไปมันก็พอดีกับอาหาร แล้วก็น้ำย่อยมันก็ออกมานั่นก็รู้รู้สึกว่าอร่อยรู้สึกว่าอร่อยนั่นนะคือเวทนาเป็นนมามธรรมเวทนามันเกิดเราเรียกว่าความสุขเวทนาสุขเวทนาแล้วเราก็ไม่รู้จักี่มันน่ากลัวมากทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับ เกิดดับจนตายเราก็ไม่รู้จักทุกขเวทนาก็าเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันเรากลัวทุกขเวทนาวิ่งหนีวิ่งหนีไอ้วิ่งห น, งนีมันก็เหนื่อยวิ่งเข้าไปตะครุบเอามากอดมารัดเอาไว้มันก็เหนื่อยทีนี้จะเอาให้มันมาอยู่ได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันไม่เชื่อใครต่างนั้น สุกเวทนาก็คือทุกทุก ก, กเวทนาก็คือทุกขอทุกขรรมทุกเวทนาก็คือทุกขมันทุกอย่างนั้นนี่คือนามธรรมเรียกว่านามธรรมเจนีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้อยู่ที่เราทางนั้นดิน ก็คือทั้งหมดที่มันแคนที่มันแข็งที่มันจับต้องได้ธาตุดินธาตุน้ําที่มันเอืดเอิบอาบที่มันหล่อเลี้ยงร่างกายนี้เอาไว้ยธาตุน้ําธาตุลมที่มันอยู่ทุกๆขุมขนนี่คือธาตุลมนี่ธาตุที่ให้ความอบอุ่นธาตุไฟอย่างนั้นเรียกว่าธาตุไฟนี่ธาตุสีนี้เราจะรู้จักมันยังไงธาตุสี่ ธาตุสีทั้งหมดมันมาจากธรรมชาติทั้งนั้นไม่ใจตัวกูเลยแต่แล้วก็เข้าไปยึดถือว่าตัวกูว่าของกูธาตุดินก็เห็นเป็นกูธาตุน้ำก็เป็นกูธาตุไฟธาตุลมเป็นกูหมดเห็นเป็นกูหมดนั่นคือโกงธรรมชาติเรียกว่าโกงธรรมชาติแ่นั้นเราต้องเห็นว่าธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ข้าไปยึดมัน่นถือมั่นไม่ได้ธาตุน้ําไม่เที่ยงข้าไปแล้วต้องออกไปอานิจจังอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนธาตุลมก็ข้าวข้าวออกออกธาตุไฟก็ข้าวข้าวออกออกไปเลี้ยงอยู่อย่างนั้นไปเลี้ยงอยู่อย่างนั้นธาตุสี่เป็นอานิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนว่างจาก นี้จากธาตุสมมาเป็นธาตุสจากธาตุสไปเป็นธาตุหกธาตุหกธาตุหก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศสัทธาเหลือไปอีกสองอากาศสัทธาแล้วก็ธาตุสุดท้ายก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี่คือธาตุรู้ธาตุรู้มีวิญญาณธาตุเกิดมาธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม อากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุคือตรู้ตรู้อันนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไยธาตุลมอากาศธาตุเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่เป็นวัตถุมันก็เลยพัฒนาพัฒนาพัฒนามาพัฒนามาเป็นอะไรก็ได้พัฒนามาจนเป็นโลกเป็นจั ก, กรวาลเป็นดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เป็นดวงดาว เป็นก้อนหินที่ลอยไปลอยมาอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นคือมันพัฒนามาพัฒนามาจนกระทั่งว่ามาเป็นโลกเราอย่างนี้แหละมันก็พัฒนาไปเรื่อยมันหยุดไม่ได้พัฒนาไปเรื่อยเลยทีนี้คนก็เอาวัตถุนั้นมาพัฒนาไอ้ตัวคนเองก็ถูกพัฒนามาอยทีนี้การพัฒนานทางวัตถุมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนการพัฒนาทางนามธรรมา คือจิตวิญญาณเรียกว่าจิตวิญญาณคือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนั้นวิญญาณธาตุนั้นที่ต้นไม้ก็มีที่ใบหญ้าก็มีที่อะไรก็มีหมดมันมีชีวิตทางนั้นที่สัตว์ที่อะไรมีทางนั้นแต่ว่าที่คนนี่คนนี่มันมากพระสมองมันเรียกว่ามันงอกออกไปได้อะไรได้คนเนี่ย มันพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนามกว่าจะเป็นคนขึ้นมาเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ล้านปีอลองคิดดูดิมันพัฒนามาพัฒนามามาเป็นคนว่าเป็นคนทีนี้มันมีตรารู้ในคนนี่แหละมีตรารู้อยู่ในตรารู้นั้นรู้อะไรรู้มันก็มีสองรู้มีสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องมิจฉาทิทธิรู้ผิดรู้ผิดทีนี้ รู้ผิดก็คือรู้ว่ามันเป็นตัวกูมันเป็นของกูเอาธาตุดินธาต้น้ำธาตุก้อยธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเอามาเป็นตัวกูของกูหมดถ้ารู้นั่นก็เอามาเป็นตัวกูอีกเอามาเป็นตัวกูอีกวิญญาณธาตุนั่นแนหะมันก็เลยไม่ได้พัฒนาพัฒนาแต่ว่าตัวกูของกูตัวกูของกูมันพัฒนาพัฒนาเหลือเกินตัวนี้พัฒนามากมาย พัฒนามาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าองหนึ่งหนึ่งองหนึ่งหนึ่งองหนึ 11, ง่งหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อว่าวิปัสสีพระพุทธเจ้าชื่อว่าสิกีพระพุทธเจ้าชื่อนั่นชื่อนี้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่นี่เรียกว่าพัฒนามาจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่คือจิต ท, ที่พัฒนาแล้วนี่ของพระพุทธเจ้าของเรานี่ชื่อว่าพระพุทธโคดมพระพุทธโคดม พระพุทธโกดมก็คือในสมัยนี้เนี่ยที่เรามาปฏิบัตินี้เนี่ยสมัยของพระพุทธเจ้าื่อว่าพระสมณะโคดมทีนี้คนที่พัฒนามาพัฒนาในการยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของวัตถุต่างๆมีแต่ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมีแต่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้ทางโลก ที่มันเป็นขึ้นมาตามธรรมชาติอันก็เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จริงเกิดขึ้นแล้วก็เราก็เอามาพัฒนาอีกพัฒนาเป็นรถเป็นราเป็นเครื่องบินเป็นบ้านเป็นช่องเป็นนั้นเป็นนี้นี่คนก็พัฒนาขึ้นมาอีกแล้วก็หลอกกันเองทีนี้พัฒนาแล้วก็เอามายึดมั่นถือมั่นกันเองไอ้คนพัฒนาก็ยึดมั่นถือมั่น ไอคนที่ไม่พัฒนาก็ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นทางนั้นยึดมั่นถือมั่นกันทางนั้นทีนี้ทํำยังไงพอมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตมันเห็นผิดนี่เห็นผิดพอเห็นผิดข้าไปยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ความทุกข์เนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากการยึดมั่นถือมั่นฉะนั้น พวกคนเหล่านี้จึงข้าวป่าข้าวดงก้าวชูพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติมันไม่ได้ยึดมันม่นถรือมั่นธรรมชาติมันก็ไหลไปตามเรื่องของมันนั่นแหละฉนั้นก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นอนัตตามันก็เป็นสุญญาตาธรรมชาติมันก็เกิดดับอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราเองนี่มองไม่เห็น ไม่รู้จักธรรมชาติที hey, ่ไม่รู้จักธรรมชาติมันเป็นยังไงเพราะไม่รู้จักตัวเองคือไม่ได้พัฒนาให้ปัญญามันเกิดแล้วให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีคงกรรของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสในโรงศบทางวิญญาณตัวเรียกว่า ตัวละครตัวแรกที่พอเราเข้าออประตูก็จะเห็นตัวนี้ทันทีเลยจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าคนพบแก้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเข้าไป ในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อนมนุษย์ควรค้นหามาให้ได้สิ่งที่รู้ตรงนี้ลืมลืมไปอเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งกรอนมันติดตอนนี้ จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าคนพบแก้วได้ในตัวท่าหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอยากเราไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆล้วนมาจากความรู้ตัวสูเองนี่นี่แหละฉะนั้น มันอยู่ในนี้ทางนั้นเลยเราดำน้ําลงไปภาพนะเป็นภาพคนเป็นการ์ตูนการ์ตูนแล้วก็ที่ในอกนะในทรวงอกนะเป็นน้ําหมดแล้วก็มีบุรุษคนหนึ่งดำน้ําลงไปในนั้นพอดำน้ําแล้วก็ไปเห็นดอกบัวบานในดอกบัวนะมีแก้วมณีอยู่มีแก้วมณี ก็คือมีเพชรมีเพชรอยู่ในดอกบัวนั่นแหละนีนะ่ที่เราค้นหานะเพชรนั้นก็คือสุญญาตาหรือพระนิพพานอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละทีนี้เราปฏิบัตินี่ต้องดูที่จิตนอกจากว่าดูที่ตาที่หูที่จมูกลิ้นกายใจดูที่รูปเสียงกิ่นรดโพธัพธพธรรมรมอย่าดูหยุด แต่อย่างนั้นต้องให้ลึ่อกกลับไปลึ่อกกลับไปลึ่อกกลับไปลึ่อกกลับไปดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปข้างในก็ดูที่จิตทีนี้ดูที่จิตทีนี้ทํำยังไงดูที่จิตเราก็ทําสมาธิทําสมาธิสมาธิหมายถึงว่าจิตที่เอาไปฝากไว้กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเจนว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนั่นคืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง นี้สิ่งที่ได้มาคือสมาธิคือสมาธินี่พอเป็นสมาธิแล้วเป็นยังไงยกเกินรุย่ยปัจจนาไม่ได้เหมือนกับว่าพระเราสอนเราสอนบอกว่านี่ท่านทุกคนเราต้องการพระนิพพานกันทางนั้นพระนิพพานเหมือนกับว่าโน่นอยู่ข้างบนโน่นอยู่ที่ ยอดยอดไม้นู่นน่นจุกแดงอยู่ที่ตรงนั้นก็บอกว่าอร่อยอร่อยเสียงขว่าอย่างนั้นพระนิพพานสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเราก็อยากได้พระนิพพานก็ อ, อยากได้ผลไม้คือพระนิพพานเสร็จแล้วโบราณก็ว่าการที่จะขึ้นต้นไม้เนี่ยให้เวียนโคนต้นไม้อ ย, อย่างน้อยสามรอบ เป็นยังไงเราไม่เวียนสามรอบที่เวียนมันทั้งปีเวียนมันทั้งชาติอยู่ตรงนั้นแหละเวียนเวียนเวียนเวียนเวียนโคนเวียนโคนอยู่ตรงนั้นเวียนจนหญ้าตายหมดแล้วที่โคนไม้เอ็นี่เขาบอกว่าไอ้ปรับขึ้นที่ปรับขึ้นเอามือน่ะจับก็ที่ต้นไม้เอาเท้าน่ะยกเท้าขึ้นไปตั้งสองเท้ามือก็เหนี่ยวขึ้นไปเหนียวขึ้นไปเหนียวขึ้นไม่เอาแล้วไม่เอาเลย ฉันไม่เอาล่ะนี่ขึ้นไม่เป็นเนี่ยขึ้นต้นไม้ไม่เป็นก็เลยอยู่แต่ที่โคนไม้ตรงนั้นเงยดูอยู่อย่างนั้นโอนพระนิพพานอยู่ข้างบนโน่นทีนี้นี่คือสมมติสมมติเพราะว่าเราติดแต่สมาธิอยู่ทีนี้ติดสมาธิทําแต่สมาธิสมาธิสมาธิทําสมาธิทําทําจนเกิดฌานทีนี้พอเกิดฌานก็ติดฌานอีก ติดจานอีกติดอยู่นั้นยกขึ้นสุวิปัสนาไม่ได้นี่เรื่องมันอยู่ที่ตรงนั้นยกขึ้นสุวิปัสนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งวิปัสนาแลปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอนิจจังเห็นแจ้งทุกขงังเห็นแจ้งอนัตตาเลยไปก็เป็นเห็นแจ้งสุญญตา เห็แนแจ้งตาถาตาเห็นเจ้านู้นไปโ น, โน้นแหละนั่นเรียก ว, ว่าสัพท์ที่สูงไปสูงไปสูงไปแต่ก็เหมือนกันคือมีหลายชื่อเรียกหลายชื่ออีนนี้เราต้องยกจิตพอจิตมันเป็นสมาธิเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาให้มันเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งอนิจจัง เห็ <ersch> นแจ้งทุกขังเห็นแจ้งอนัตตานี <besides S 2> ่เ <trading> ห็นแจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตรงไหนทีเนี่ยเห็นข้างนอกข้างนอกก็ได้แต่ต้งน้อมก็มาข้างในเมื่อเห็นข้างนอกก็น้อมก็มาข้างในน้อมก็มาที่จิตน้อมก็มาที่จิตว่าจิตก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเหมือนกันเช่นว่าเมื่อจิตนั้นมีความสงบ ถ้าจิตนั้นมีความสงบความสงบนั้นย่อมแพร่ขยายออกไปข้างนอกออกไปทางตาตาก็สงบรูปที่ตาเห็นก็สงบจากกูวิญญาณความรู้สึกทางตาก็สงบปัจจการกระทบทางตาก็สงบเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์สงบไม่เข้าไปยึดมันม่นหรือมั่นนี่มีพลังขึ้นมาแล้ว เมื่อไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาก็ดับนี่ส่องออกมาส่งออกมาภายนอกแล้วทางหูก็ส่งออกมาทางจมูกคือเรียกว่าออกมาทางจิตมีฐานเดียวกันคือฐานจิตอย่างเดียวฐานจิตอย่างเดียวที่ออกมานี่ออกมาทางตาออกมาทางหูออกมาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ออกมาแล้วเป็นยังไงไม่ยึดมั่นถือมัน่นอะไรทางนั้นเกิดตามลำดับเกิดตามลำดับแล้วก็อนิจจังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนมันต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาต้องเห็นสุญญตาว่างจากตัวตนดังนั้นเราจะต้องขึ้นต้นไม้ให้เป็นเราต้องปรับปรับต้นไม้นั้นมือเหนียวขึ้นไปยังไง เท้าเหนียวขึ้นไปยังไงพอไปถึงกิ่งไปถึงกิ่งแล้วกดมือเหนียวกิ่งโอนตัวขึ้นไปโอนตัวขึ้นไปแล้วไปตามกิ่งตามกิ่งตามกิ่งไปโน่ถึงปลายยอดอ่ะอีนี้พอไปถึงตรงนั้นไปถึงตรงนั้นพอไปถึงตรงนั้นแล้วไปเจอแล้วผลไม้ลูกแดงๆอ่ ะ, อะเพียงแต่เห็นมันไม่รู้หรอกว่ามันรสชาติมันเป็นยังไง นีก็ต้องไปปลิดอามารลองเกินดูว่าเป็นยังไงโอ้มันหวานมันเย็นหวานเย็นอร่อยนี่เห็นไหมนั่นนหะคือผลระไม้คือปรนิพานตคือหนึ่งหลวงพ่อมีแต่คิดแต่นี่เรื่องการปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติตอา้าวนิมิตไปทีนี่นิมติตนิมิตไป โอ้ยไปในที่แห่งหนึ่งที่แห่งนั้นมีแต่สวนมะม่วงแต่มะม่วงนั้นไม่ได้ต้นถึงๆกันหรอกมันมีอ่างงางกันหน่อยหนึ่งใต้ต้นมะม่วงก็เรียบร้อยมีหญ้าเขียวมะม่วงก็เป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มอ้าวพ่อหลวงพ่อข้าไปโอ้ยมะม่วงอะไรเนี่ยลูกยาวเกือบจะจอกน่ลูกยาว ลูกยาวๆแล้วก็สีเหลืองเหลืองทองสีเหลืองทองหล่น ล, ลงมาที่ใต้คนนั่นแหละงพ่อก็เลือกเอาเลือกเอาทีนี้ก่อนเอามาถึงก็เอามีดเฉือนเฉือนด้านหนึ่งแล้วก็เอามาลรงฉันฉันดูฉันไปสามคำโอ้วันตั้งหวานตั้งหอมตั้งเย็น บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงนี่คือมะม่วงแห่งพระนิพพานก็เลยเรียกว่ามะม่วงหิมมาพานมะม่วงหิมมาพานทีนี้หลวงพอ่อเอ๊ะนั่นมีพระอยู่รูมตรงนั้นมีกุฏิแล้วทำไมไม่มาเอามะม่วงนี้ไปฉันมั่งลแต่ก็ไม่ได้พูดระต้านทีนี้มีคํากรนคากรนที่ของบุคคลโบราณก็ว่ามะม่วงหิมมาพาน ลูกงอมหอมหวานอยู่ในกลางทะเลหลวงไกลลิงไกลข้างไกลสัตว์ทั้งปวงอยู่กลางทะเลหลวงกินได้แต่ผู้มีบุญเอ่ยนี่นี่แหละคือมะม่วงหิ ม, มาพานต์เพราะฉะนั้นพอตื่นขึ้นมาออว่าโอ้ฝันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเราได้กินได้ลิ้มรส มะม่วงยิมมาผ่านแล้วมันทั้งหอมแล้วมันทั้งหวานแล้วมันทั้งเย็นเย็นแล้วกดสีกดสวยสีสวยเหลืองทองสีนะ่ะเป็นสีเหลืองทองเขาจึงเรียกว่านะมะม่วงยิ้มมาผานอั น, นคือมะม่วงยิมมป า, านเพราะฉะนั้นเราต้องขึ้นไปถึงยอดมันทำมสมาธิแล้วก็ต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาอย่าดิ้งอยู่แต่ในสมาธิ ถ้าดิ่งอยู่ในในสมาธิเกิดฌานเกิดฌานขึ้นมาหลงฌานไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไปเห็นอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ติดเลยทีนี้ติดเลยไปเห็นเทวดาไปเห็นนั่นไปเห็นนี้ไปเห็นหมดติดฌานทีนี้แล้วเสร็จแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยมีฤทธิ์พูดให้ฟังว่าทวดนะ ทวดที่เป็นเจ้าเขาเจ้าเขาที่นี่ตามที่จริงคือเทพนั่นแหละแต่คนสมัยก่อนก็เรียกว่าทวดเรียกว่าทวดเรียกว่าทวดที่นี่ทวดน่ะทวดน่ะท่านกามาปฏิบัติธรรมที่นี้ตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นุ่งขาวอ่มขาวแล้วก็ผมยาวมีหนวดเคราสีขาวหมดอยู่สีขาวหมดที่นี้พอท่านเสียชีวิต ไปเกิดเป็นอะไรอยู่เป็นเทพเป็นเทพแล้วก็ได้ฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นเทพแล้วได้ฤทธิ์ได้ฤทธิ์ทีนี้ทีนะี้ต่านก็กุ้มครองดูแลดูแลทีนี้พอเมื่อก่อนเรือนจำที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้มันไม่มีแต่พอเขาย้ายเมืองมาอยู่พัทลุงก็มีเรือนจำขึ้นมามีอะไรขึ้นมา นี่ก็ ก, ก็จะย้ายอีกแล้วเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองเกินไปทีนี้ทวดหรือเทพนี่แหละท่านกดแสดงฤทธิ์ขึ้นมาแสดงฤทธิ์ขึ้นมาเท้าหนึง่งอยู่ที่ยอดเขาเท้าหนึง่งเหยียบลงไปในเรือนจำทีนี้ในขณะที่คนในเรือนจำน น, นอนหลับกันหมดโอลขึ้นมาพร้อมกันเลยนี่มันอะไรกัน หลวงพ่อได้ยินมานานแล้วเรื่องนี้แต่ก็อ่านไม่ออกเอาที่นี่มีเอกอนหนึ่งตอนนี้เป็นพระหลวงตาอยู่อยู่วัดนี้แหละ ว, วัดโคกเนียนนี่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเด็กๆนะ่ะโอ้ยไปทํานาไกลไปทางทิศใต้แต่ก็มองเห็นภูเขามีชัดเจนท่านก็มองมาว่าเอ๊ะไกลขึ้นไปเดิอนอยู่บนเขาเนอะเดินเดินบนเขานี่ นั่นคือเทพเทพก็แสดงแสดงให้เราเห็นนั่นคือได้ฤทธิ์อ ร, ริยโคได้ฤทธิ์อั น, นี้ผู้ที่ได้ฤทธิ์น่ะหลงในฤทธิ์แต่ฤทธิ้นั้นก็คือได้แก่รูปประจานหรืออารูปประจานแล้วก็ไปเป็นเทพไปเกิดเป็นเทพทีนี้พอเกิดเป็นเทพเรื่องมันก็ยาวไปอีกเทพนั้นก็ไปนิมิต ให้หลวงพ่อได้รู้ได้เห็นพ่อหลวงพ่อก็อธิษฐานจิตอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตว่าเออข้าพเจ้าวบวชแล้วไหนจะไปอยู่ที่ไหนต้องการที่อยู่ที่ที่สงบที่ที่เหมาะสมในการที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มันหลุดพ้นกันไปสักทีหนึ่งแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยขอให้ข้าพเจ้าพบสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเถิดเนี่ย ทุกคืนอย่างนั้นทุกคืนเมื่อก่อนจนเกิดนิมิตขึ้นมาดังนั้นนิมิตนี้ก็เรียกว่าเทพนิมิตของพ่อจึงมาสร้างที่นี้แต่ก่อนที่จะสร้างเขาเดี่ยววิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาอยู่ไม่เจอหาที่ไหนก็ไม่เจอหลายจังหวัดไม่เจอมาเจอที่นี้นั่นคือเทพเทพเรียกว่าเทพเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงผู้ที่เป็นเทพหลง เกินไปบนสวรรค์ไปเห็นวิมานไปเห็นอันนั้นไปเห็นอันนี้หลงเถิดหลงหลงเลยเมื่อหลงแล้วก็ยกจิตขึ้นรู้วิปัสสนาให้เห็นอั น, นิี้จังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาไม่ได้เพราะหลงเถิดหลงนั่นคือหลงดังนั้นหลงไม่ได้นี่ทีนี้พอเทพนะั่นเะนะทพที่เป็นทวดหนะึนะ่งพูดเรื่องข้าวตรงหน่อยนะ หลวงพ่อก็ไม่ค่อยเชื่อหรอแต่ว่าก็จําเป็นที่จะต้องเชื่อเทพนั่นแหละท่านมาข้าวตรงที่เป็นทวดนะไม่ใช่ข้าวตรงหลวงพ่อหรอกข้าตรงคนอื่นคือเป็นผู้ที่เป็นร่างตรงของอา마จะไม่ควรอิ่มอ่ะพอข้าวตรงหลวงพ่อก็เลยถามทีถามนี่ทวดนี่ทําไมหลวงพ่อนี่ต้องมาอยู่ที่นี่ลำบากยากแค้นทุกสิ่งทุกอย่างอิดะก้อนหนึ่ง ไม้ัดดุนหนึ่งกระเบื้องทักแผ่นหนึ่งโอ้ยมันแสนที่จะลาบากลาบากลาบากคือพอนิมิตขึ้นมาแล้วมาเห็นสถานที่แล้วอะไรแล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มันมีแต่ความลาบากยากเข็นดังนั้นแต่เป็นยังไงเพราะหลวงพอ่อต้องการที่จะปฏิบัติธรามไม่ถอยยังไงยังไงก็ไม่ถอยไม่ถอยมันจะตาย นั่นกระตั้งว่าเขากระดูกทับอยู่ที่บนภูเขานี้หลวงพ่อไม่ถอยให้ช้างมาลากก็ไม่ถอยไม่ถอยเด็ดขาดนี่มันตั้งจิตถึงขนาดนี้ถึงขนาดนี้ทีนี้ถามทวดว่าทวดแต่ทําไมหลวงพ่อต้องมาอยู่ลาบากยากเข็นอย่างนี้ทวดบอกว่าไม่อยู่อย่างไงที่สถานที่นี้เป็นที่ของท่าน เป็นที่ของท่านและท่านมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่จนกระทั่งว่ากระดูกฝังรอบภูเขานี้แล้วโอ้ถึงขนาดนั้นลองดูดิถึงขนาดนั้นนี่ไม่ไหวทีนี้ท่านก็บอกว่านี่ท่านนี่มารอมารอหลวงพ่ออยู่หลายร้อยปีแล้วที่มารอหลวงพ่ออยู่นี่หลายร้อยปีแล้วโอ้ยังอย่างนั้นดินี่ นี่ตอนตอนนี้มีว่ถามวันก่อนเขบอกว่าโอ้ตอนนี้จิตสูงกันไปหมดแล้วขึ้นสูงไปหมดแล้วขึ้นชูที่สูงแล้วไม่เอาแล้วยกจิตขึ้นชูปัจฉนาแล้วเรายกจิตจิตขึ้นชูปัจฉนาก็การปฏิบัติก็รุดหน้าไปรุดหน้าไปรุดหน้าไปจากนั้นเราอยาเอาแค่นั้นหลวงพ่อก็สงสารบางคน ได้ไปเห็นปราสาทไปเห็นวิมานไปเห็นโบสถ์ไปเห็นวิหารเห็นอะไรเสร็จแล้วก็ดีใจว่าได้เห็นนั่นเห็นนี้นั่นแหละไปติดใต้อย่างนั้นติดติดลิฟเดีเ๋ยวติดลิฟตนี้คนทันก็ดีทั่วก็ดีก็ในภูเขานี่คือเขาจะไปได้หมดแหละก้อนหินเนี่ยไม่เป็นปัญหาเขาหรอกไม่เป็นปัญหาเขาเขาตะลุกปรูโปรงไปหมดแล้วเขาข้าวได้ออกได้ภูเขานี้แหละ ก็มีฤทธ์เนี่ยมีฤทธ์แต่ว่าฤทธิ์ที่ดีที่สุดคือธรรมฤทธิ์คือพระธรรมนี่แหละพระธรรมนี่แหละฉะนั้นเราต้องยกจิตขึ้นจู่วิปัสนาให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขังให้เห็นอนัตตาเห็นสุญญาตาเห็นที่ไหนก็เห็นที่จิตนั่นแหละเห็นที่จิตไอ้จิตนั่นแหละเห็นให้จิตหเห็ น, หหหนทีนี้มันจะเห็นได้อย่างไร เห็นได้อย่างไรนี่เรื่องมันี่มันไม่เห็นที่นั้นเราต้องปฏิบัติตั้งแต่สัมมาทิพีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่จนถึงสัมมาสมาธิเราจะปฏิบัติตามลําดับก็ไม่ได้ก็ได้ไม่ตามลําดับก็ได้แต่ว่าที่หนักที่สุดก็คือต้องปฏิบัติ สัมมาทิฏฐิให้หนักข้ออื่นๆไม่หนักเหมือนสัมมาทิฏฐิเช่นว่าสัมมาสติสัมมาสติก็อยู่ที่จิตเองนั่นแหละสัมมาสติก็ดูที่จิตเอาดูที่จิตดูตรงไหนดูว่าอ๋อมีสติเห็นกายในกายอก็ดูที่จิตเองแหละมีสติเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นกายใครก็เห็นกายตัวเองเนี่ย กายตัวเองมันเน่าเหมือนที่บอกให้ฟังเนี่ยมันน่ามันกระจกปลกมันเป็นดินมันเป็นน้ามันเป็นควยมันเป็นลมนี่กายเนี่ยมันมาจากวัตถุต่างๆเหล่านั้นแล้วไปยึดถืออะไรมันมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนไม่เห็นว่างถ้าไม่อย่างนั้นไม่เกิดปัญญาหรอกไม่เกิดปัญญาดังนั้นศาสนาพุทธนี่ก็เรียกว่าศาสนาแห่งปัญญา ทนี้มีสติเห็นกายไม่ไปยึดถือกายเพราะมีปัญญามีสติเห็นเวทนาที่เป็นสุขนี่ที่เราติดติดกันนะ่ยที่เป็นสุขถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราติดติดกันนะ่ยความสุขนั้นก็อนิจจังอนัตตาสุญญตาก็ว่างจากตัวตนเวทนาก็ไม่เอาไม่เอาเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาให้ได้ พิจารณาเห็นกายได้พิจารณาเห็นเวทนาพิจารณาเห็นจิตมันต้องดูจิตดูจิตเอาที่รถไปทางถนนโอ้ไปเห็นรถชนคนตายน้อมก็มาหาจิตว่าโอ้เราก็จะต้องตายอย่างนี้ตายรถชนหรือตายยังไงก็ตายเหมือนกันเนี่ายอย่างนี้ พ, อ, พอเห็นแล้วมันน่าเกลียดมันจกรปรก แล้วไปยึดถือออกมาเป็นตัวกูของกูได้ยังไงแล้จิตก็น้อมก็มาหาตัวน้อมก็มาโอ้ยหน้าสงสารหน้าสงสารหน้าสงสารบุคคลผู้นั้นให้เราก็น้อมก็มาหาตัว่าเราอย่าประมาทเราอย่าประมาทเราอย่าประมาทดูจิตดูจิตว่าจิตอย่าประมาทอย่าประมาทดูจิตว่าจิตเองมันก็เกิดดับให้ก็ว่างจากตัวตนอีก จิตเองเกิดดับว่างจากตัวตนต้องมองก็ไปข้างหนึมองจิตเนี่ยมองกายมองเวทนาแล้วก็มองจิตมองจิตว่าจิตเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาว่างจากตัวตนดูดูดูดู ด, ด, ดูวิจัยดูดิมันจับต้องไม่ได้จิตนี่จับต้องไม่ได้เพราะมันเป็นนามธรรมเรี ว, ว่าเป็นนามธาตุจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกอยู่ นี้ดูจิตดูจิตแล้วก็เห็นจิตเห็นยังไงถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นมันต้องมีปัญญาจึงจะเห็นต้องมีปัญญาทีนี้ดูธรรมก็ที่สี่ดูธรรมดูธรรมมีสติเห็นธรรมเลยธรรมว่าธรรมนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารวมแล้วทีนี้เห็นภาพรวมเลยเห็นภาพโอ้ทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นเลยกายก็เป็นธรรมเวทนาก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรม ธรรมชาติก็เป็นธรรมเป็นธรรมทางนั้นเป็นธรรมที่เกิดดับว่างจากตัวตนนี่ธรรมชาติที่เกิดดับว่างจากตัวตนนี่อย่างน้อยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิอ่อนอ่อนแล้วมีสัมมาทิฏฐิอ่อนอ่อนแล้วนี่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเราก็พิจารณาแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมีการกำชับเอาไว้ทุกข้อในอริยมรรคมีองค์ป ว่าจะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าสัมมาท่านดูดิท่านดูนดิแต่ละข้อสัมมาทิฏฐิมีสัมมาอยู่ข้างหน้าสัมมาจังกับโปมีความดําริชอบมีสัมมาอยู่ข้างหน้าทั้ง8ดข้อมีสัมมาหมดสัมมานั่นแหละคือความถูกต้องสัมมานั่นแหละคือตัวปัญญาตัวปัญญากํากับเอาไว้หมดทีนี้ถ้ามิจฉาละ่ะ ถ้ามิจฉาก็ความเห็นผิดกำกับหมดอวิชามันกํากับหมดมิจฉาติดติดมิจฉาฉังกับโปมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันโตมิจาวายามุมัดมิจฉาสติมิจฉาสมาธิตั้งแปดนั่นแหละถ้ามิจฉาเลยผิดหมดผิดหมดถ้าตั้งต้นที่มิจฉาทิฏฐิผิดหมดเลยอะไรก็ปฏิบัติผิดหมดนี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิแก น, นเออสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีตายไปแล้วไม่เห็นมันมีอะไรตายแล้วก็ศูนย์นี่นี่ก็ทีนี้อีกประเภทหนึ่งเอาตายแล้วก็เกิดอีกออนั่นก็มิจฉาทิฏฐิเหมือนกันตายแล้วศูนย์ก็มิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดอีกก็มิจฉาทิฏฐิมีคนหนึ่งเห็นว่าเออพระพุทธเจ้านี่มีลาบสการะเกิดมากหรือเกิน อยากจะไปบวชกับพระพุทธเจ้าหรือ like อยากจะรู้วิชาที่ลึกลับของพระพุทธเจ้า <โ cider. S 1> ก็ไปบวชพระพุทธเจ้าก็สอนสอนสอนสอนสอนพอสอนเป็นยังไงทีเนี้ยสอนสอนสอนสอนแล้วก็จัดวิชานี้มันต้องเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตาต้องเห็นสุญญาตาแล้วว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนแล้วก็จะเนี่ยพอว่างจากตัวตนว่างว่างว่างว่างว่างจนถึงที่สุดจนไม่มีอะไรจะว่างแล้ว จิตนั้นก็ข้าวอยู่กับความสงบเย็นความสงบเย็นคือพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานนั่นแหละทีนี้ที่พวกพราหมณ์บัง้งใครบ้างไปถามพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดอีกไหมพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงพระพุทธเจ้าตอบว่าไม่มีคนไม่มีคนทีนี้ในสมัยนั้นควายเน่งก็ว่าตายแล้วเกิดควายเน่งก็ว่าตายแล้วก็ศูนย์ตายแล้วศูนย์ มันกลับไปดินก็กลับไปจู่ดินน้ําลมควยก็กลับไปจู่ดินจู่น้ําจู่ลมจู่ไฟนี่หมดควายหนึ่งก็ตายแล้วก็ไม่ต้องงออะไรกันควายหนึ่งก็ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดทีนี้พอถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนทีนพระรูปนั้นก็นี่ถ้าพระองค์ตอบอยู่อย่างนี้ข้าพระองค์ก็จัดศึกแล้ว ยไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่มีคนที่เรานั่งอยู่นี่มันเป็นใครเนี่ยที่เรานั่งความเทศ <Spider> อย่านี้เป็นเป็นใครเนี่ยมันมีคนไม่มีคนอันนั้นมันเปลือกเปลือกคนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่มันไม่ใช่ตัวจริงเปลือกคนทางนั้นมันธาดดินธาดน้ําธาดควายธาดลมอากาศสธาดวิญญาณธาดเนี่ยมันเปลือกเปลือกมันทางนั้นเลย อันนี้ทำยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีคนใี่เมื่อเราพัฒนาพัฒนาสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนาว่าเออพัฒนาจนกระทั่งว่าทั้ง8ดข้อนะรวมกลุ่มกันเรียกว่ามัคคัชมังคีนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะให้สวดอริยมรรมิองค์8กัน ทนี้เมื่อแปดข้อมารวมกลุ่มกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับเชือก8ดเกลียวนั่นแหละเชือก8ดเกลียวทีนี้เราเอาหมกฟันเป็นเชือกเส้นเดียวกัน8ดเกลียวนะั้นเส้นเดียวกันพอเป็นเส้นเดียวกันนี้ก็เรียกว่ามักคสมมังคมีมันมีพลังมหาศาลทีนี้พอเราเอามาปฏิบัติเร า, เามาปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นว่า สวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงอ้าวสวรรค์อยู่ตรงไหนเห็นขึ้นไปบนฟ้าจนโน้นไปดาวอังคารแล้วตอนนี้ไม่เห็นพบสักทีหนึ่งดวงจันทร์ก็ไปเหยียบแล้วได้ก้อนหินมา2องสามก้อนก็ไม่เห็นพบสวรรค์เลยลงไปใต้ดินขุดกุดกุดกุ ด, ดน้ามันจงจะตะลุโลกลไปถึงด้านฝั่งโน้นแล้วก็ไม่เห็นพบนรกเลย นรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็นดีอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นเมื่อเราร้อนใจก็ตกนรกเนี่ยก็ตกนรกถ้าเรามีความโลภมันก็เป็นเปรตเนี่ยความโลภ เ, เป็นเป็นเปรตพอเราร้อนใจด้วยความโกรธ ด, ด้วยความอิจฉาริษยาขึ้นมาตกนรกดูที่ใจดูที่จิตดูที่จิตนั่นแหละพอจิตโง่ขึ้นมาเดลฉาน จิตกลัวขึ้นมาอาตุระกายนี่เห็นไหมอยู่ที่จิตทางนั้นเลยแต่เรานน่นไปเชื่อที่เขาสมมติที่ไปเขียนไว้ที่ขวาผนังโบสถนน์นั่นก็เขียนให้คนโง่ดูแต่เสร็จแล้วคนโง่มันก็เชื่อไปอย่างนั้นไม่น้อมก็ไปหาจิตแต่ผู้ปฏิบัติทำต้องน้อมก็ไปที่จิตต้องดูที่จิตการปฏิบตัติต้องดูที่จิตดูที่จิต ดูที่อื่นไม่ได้ดูภายนอกแลยก็น้อมกล่ามาหาจิตดูภายนอกเลยก็น้อมกลาวมาหาจิต น, น, าาต น, นี่พอเกิดความโลกขึ้นมาแล้วอา้าอูเป็นเปรตอีกแล้วเป็นเปรตอีกแล้วอา้าพอมัโดนด่าโดนว่าโดนอะไรขึ้นมาก็ทำให้เดือดร้อน เ, อเดือดร้อนนี่ตามที่จริงเขาด่าก็อยู่ที่เขานั่นแหละเขาเนินตาก็อยู่ที่เขานั่นแหละเขานั่นแหละเขาตกนรก แกจะแล้วเอานรกนั้นมามออให้เราอีกให้เรามันก็โง่ไปเอานรกที่เขาให้มาอีกเอาเอามาคิดจนนอนไม่หลับนี่ทีนี้ถ้ามันอยู่แต่ที่เขาเราไม่เอาแต่ก็จะมายัดเยียดให้เราได้ยังไงก็เราไม่เอานี่เราไม่เอานี่เราไม่เอาที่อย่างหนึ่งนี่ไม่เอาที่อย่างหนึ่งเราก็ไม่ตกนรกเนยถ้าเราไม่เอาแต่ถ้าเราไปเอ า, อาเช่นว่าเขาด่าเราอย่างนี้ มันจริงไหมคำดา่ามูสสาวาดท้งนั้นคำด่ามูสสาวาดทางนั้ น, าา น, นแต่ทำไมเพราะเรางโง่เราจึงไปเชื่อเข า, าเราไปเชื่อเขาเสร็จแล้วก็เอามาตกนรกเอามาร้อนใจร้อนใจร้อนใจร้อ น, ใ จ, นใจขึ้นมาตกนรกนี่เห็นไหมแล้วมันมีจริงไหมนรกมันมีมีจริงไหมต้องดูที่จิตและนิพพานมีจริงไหมก็อยู่ที่จิตสวรรค์มีจริงไหม อยู่ที่จิตเองนั่นแหละพอสบายอกสบายใจขึ้นมาโอูย้ยขึ้นมาบนนีม้มันอยู่คนละโลกกันเลยกับข้างล่างข้างล่างมีรถมีรามีคนมีนั้นมีนี่ดูวุ่นวายกันไปหมดตก็ขึ้นมาบนนี้อ้อะไรนี่แหละวัดนี้วัดนี้ทําไมมาซ่อนอยู่อย่างนี้คนที่ไม่มีบุญวัดาสนาขึ้นมาไม่ได้ไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาที่เข้มแข็งขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้ ยิ่งขึ้นมาฟังเทศยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างเหมือนกับเมืองนรกทีนี้ไอ้ข้างบนนี่เหมือนกับเรียกว่าเมืองสวรรค์หรือเมืองนิพพานพอขึ้นมาถึงมันจะรู้สึกว่าเย็นเย็นเย็นย็นจิตมันเย็นถึงอากาศมันรอ้อนแต่ว่าจิตมันเย็นจิตมันเย็นนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตทางนั้น นรกก็อยู่ที่จิตสวรรค์ก็อยู่ที่จิตนิพพานก็อยู่ที่จิตตราบใดที่เราปฏิบัติทำวันหนึ่งเราคงจะพบพระนิพพานคือความสงบเย็นอันี้ความสงบเย็นที่เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็เปรียบเหมือนกับว่าข้าวเปลือกธรรมชาติมันให้ข้าวเปลือกมาเอาแล้วก็กินทั้งเปลือกได้ ต้องพัฒนาพัฒนาพัฒนาก็าได้มาเม็ดหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ข้าวเปลือกมาเม็ดหนึ่งคนหนึ่งก็ได้ข้าวเปลือกมาเม็ดหนึ่งธ ร, รรมชาติบอกว่านี่ข้าวเปลือกนี่นะต้องเอาไปหว่านต้องเอาไปเคาะเอาไปดำแล้วก็เป็นรวงขึ้นมาเป็นมเมล็ดข้าวพอเป็นมเมล็ดข้าวหราก็ต้องออกมาทิ้มต้องเอกมาตําให้มันเป็นข้าวสารเป็นข้าวสารแล้วก็เอาไปหุงเอาไปซ้อมเอาไปหุงให้มันเป็นข้าวสุก อ พ, อพอเป็นก้าวถกแล้วนั่นเนี่ยจะกินได้จึงจะกินได้นั่นเรียกว่าเราต้องพัฒนาจิตนี่แหละต้องพัฒนาไม่ใช่ได้แค่สมาธิได้แค่ฌานเลือกแล้วกิริวาจัยแล้วตรงนั้นชายแล้วชายแล้วพระนิพพานนั่นแหละจ่ายแล้วพระพุทธเจ้าตอนนั้นที่พระองค์ยังเป็นเจ้าควาจาริสิทธาอยู่เมื่อพระองค์ไปที่อาจารเน่ง ก็ได้แค่รูปปัจจันทร์รูปปัจจันรก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอก ก, กตานั้นก็เรียกว่ารูปปัจจันรรูปปัจจันทีนี้หัวหน้าท่านาว่าโอ้จบแล้วจบหลักสูตรแล้วไม่ต้องไปไหนแร้วอยู่นี้แหละจะได้เป็นครูใหญ่แล้วก็สอนอยู่ที่นี้ท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ ไ, ใชไปเอกอาจารย์หนึ่งว่าไปอีกอาจารย์หนึ่งขึ้นอรูปปัจจันร ขึ้นอรูปปัจจันท์ก็อาการนันจายตนะวิญญาณัญจายตนะนี่นี่นี่อะไรแหละวิญญาวิญญาณัญจก็คือวิญญาณวิญญาณอากาสานันจายตนะโอ้ยไม่เห็นมีอะไรคืออยู่ในอรูปปัจจนรนั่นแหละมันเป็นขั้นขั้นขั้นไปอพอจิตถึงอากาสานัญจายตนะมันมีแต่อากาศอากาศอากาศอากาศทั้งนั้นเลย ในเราก็มีอากาศในคนนั้นก็มีอากาศในคนนี้ก็มีอากาศคนน่้นในสัตว์ในต้นไม้ต้นหลายมีแต่อากาศอากาศอากาศก็เรียกว่าอายตนะกําหนดอากาศเป็นอารมณ์มันน่าติดมันน่าติดนี่คือมันไม่มีรูปไม่มีร่างแล้วกําหนดอากาศเป็นอารมณ์เอนี่พออากาศานันจะอายตนะกําหนดอากาศเป็นอารมณ์จนเบื่อเบื่อเบื่อเบื่อ พอเบื่อแล้วก็ขึ้นวิญญาณัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอายตนะที่กําหนดวิญญาณคือกําหนดตัวรู้กําหนดตัวรู้วิญญาณเนี่ยแปลว่ารู้กําหนดรู้วิญญาณัญจายตนะอายตนะก็คืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าอายตนะอายตนะภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจ อายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะพระธรรมารม์นั่นอายตนะทางนั้นทีนี้วิญญาณัญจายตนะในรูปในอรูปประชาน์นกำหนดตัวรู้คืออายตนะกาหนดตัวรู้เดี๋ยวก็รู้ทางตาพอเราเห็นเกิดรู้ทางตาขึ้นมาแล้วพอเรากเ า, าเออเดี๋ยวก็พอดูไปรอบๆมีอะไรบ้าง อ๋อมีต้นไม้แต่กลางวันก็เห็นต้นไม้แต่กลางคืนก็เห็นมืดมืดมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นต้องค้าเห็นดวงดาวเห็นดวงจันทร์มีแต่รู้รู้รมีแต่รู้มีแต่รู้อย่างเดียวแต่กว่ารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจมีแต่ตัวรู้ตัวเดียวรู้ตัวเดียวที่นี่ตอนนี้เราก็ เท่ากับว่ามีวิญญาณัญจายตนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกับว่าที่อยู่ในอารูปปชานในอา p, cool. รูปปชาตินี่มันน mm ิ hmm. right. ่งแล้วก็มันอยู่กับรู้รู้ตัวนั้นอยู่กับรู้ตัวนั้นเดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวก็รู้ทางใจเดี๋ยวก็รู้ทางจมูกเดี๋ยวก็รู้ทางลิ้นมีแต่ตัวรู้รูเนี่ยแต่ว่าเป็นอย่างไงรู้นั้นถูกยึดมั่นถือมันไม่ได้พัฒนา ก็เลยกลายเป็นกูรู้ขึ้นมาอีกเป็นกูรู้พอเป็นกูรู้เป็นยังไงทีนี้ไม่ยกขึ้นชูวิปัฏนาตัวนั้นแต่ยกตัวรู้นั้นขึ้นชูวิปัฏนาตัวรูเนน้เป็น น, นิจังเป็นนันตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนแต่นี้เป็นยังไงกูรู้นั้นหมดเลยหมดทภาพเลยถ้ากูรู้ก็หมดทภาพเลยทีนี้ รู้ในปฏิจาช ะ, ะมุปบาทหนึ่งอวิชชาจิตโง่จิตโง่จิตบอดจิตไม่ได้ฝึกจิตมีตัวกูสองฉังขานการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาการกระทําทางใจอวิชชากูกายเป็นกูจิตเป็นกูอ่าเป็นกูหมด ทีนี้พอการกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรมกูกระทําพูดทางวาจากูพูดคิดทางใจกูคิดนี่กูหมดกูหมดทีนี้นอวิชชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้เพราะฉะนั้นตัวรู้ตัวนั้นก็เลยกูรูเ้เห็นไหมกูรู้กันมาอีก เพราะว่าไอ้ตัวใหญ่ตัวโตน่ะตัวอันดับแรกน่ะมันควบคุมเอาอไว้อาวิชานี่ยแหละมันควบคุมเอาไว้ก็เลยเป็นกูรู้กูรู้กูรู้ขึ้นมานี่นพัฒนาพัฒนามาตั้งแต่วิญญาณัญจายตนะนะแล้วก็มาหมายถึงว่าอายตนะรู้เรื่อง ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องรูปเฉียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมวิญญาณทั้งหกปัจจาทั้งหกูหมดกูหมดเห็นไหมมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวมากนี่มันน่ากลัวมากทอนี้ทำยังไงถ้าเห็นว่าอู้นี่อากาจานัญญาตนะก็อนิจจังอนัตตา เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่มันต้องเห็นอย่างนั้นวิญญาณอันใจอันนะัตัววิญญาณตัวความรู้สึกนี้ก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนอีนี้เรามาดูว่าเหว่าคนตายแล้วเกิดอย่างหนึ่งคนตายแล้วศูญย์อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ยืนกร็ตายขาเดียวว่าไม่มีคนอีนี้เรามาศึกษาดูว่า คนที่ตายแล้วดินกลับไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอากาศก็ไปสู่อากาศหมดแต่เหลือวิญญาณธาตุนี่วิญญาณธาตุตัวนั้นมันไม่ดับวิญญาณธาตุคือเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเราทุกคนเนี่ยถ้าเราปฏิบัติไม่ถึงที่สุดไม่ดับ วิญญาณตัวนั้นไอตัวกูรู้นั่นแหละมันไม่ดับพอมันไม่ดับมันก็ไปแสวงหาทีนี้ถ้ามันมีบุญก็ไปเกิดที่บุญบุญถ้ามันมีบาปก็ไปเกิดที่บาปบาปนั่นแหละนั่นนั่นเรียก ว, ว่าวิญญาณวิญญาณวิญญาณวิญญาณนันจายตนะทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเราปฏิบัติให้วิญญาณนันจายตนะคืออายตนะที่กําหนดวิญญาณนั่นแหละ ให้เห็นให้เห็นอนิจจังยกขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ที่สําคัญที่สุดต้องยกจิตยกจิต ข, ขึ้นสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วให้จิตนั้นเห็นให้จิตนั่นแหลเห็นเห็นอะไรยกจิต ข, ขึ้นสูวิปัสสนาเอานถ้าหากว่าเราหนักแน่นในสัมมาทิฏฐิเราก็คิดมันบ่อยๆว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้อง เห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมกักมันสามตนนะที่ตรงนี้มันสามตนนะเห็นอริยสัจสีตอนหนึ่งเห็นขันห้าตอนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปบาทตอนหนึ่งเป็นสามตนนี่เป็นสามตนทีนี้ที่เรียกว่าเห็นเห็นเห็นี่แหละเห็นเนี่ยวิปัสนาเนี่ยวิปัสนา หรือว่าญานณนัตสนาก็ได้มันมันมีมากมายญาณทัตสนะก็ได้ได้ทางนั้นเลยทีนี้มันจะเห็นได้อย่างไงจะเห็นทุกอย่างเนี้มันจะเห็นได้อย่างไงมันโง่แต่มันจะเห็นได้เลยสุข ก, ก็คือทุกข์ไม่เชื่อใครมาบอกจากร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่เชื่อว่าสุขคือทุกข์มันก็ไม่เห็นไม่เห็นทางนั้นแหละในสุขนั่นแหละในสุขเวทนานาีในใ่แหละมันคือทุกขเวทนา นี้ถ้าทุกข์แล้วทําไมต้องอดทนต้องทนทนทนทนทนต้องทนท น, ท น, นี่ต้องทนมันทางนั้นนั่นน่ยคือทุกขเวทนาเพราะมันไม่เห็นไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่เกิดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไม่เกิดเมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นอริยสัจสี่ทุกขโมทัยนิโรธมรรี่เห็นสี่ข้อก่อนเห็นสี่ข้อนี้นพอ เห็นสี่ข้อนี้เห็นกับอะไรเห็นกับตาเห็นไม่ได้กับตาเนื้อนี่ไม่เห็นไม่ได้มันเห็นแต่กเขียวๆแดงๆเหลืองๆดำๆขาวๆอย่างนั้นไอ้ตาเนื้อนี่แต่มันต้องมีตาภายในฉะนั้นตาภายในก็เรียกว่าจักขงอุตปาทิจักกูนะแปลว่าตาอุตปาทิแปลว่าเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติถึงขั้นรวมทั้ง8องค์นี้เราปฏิบัติอย่างหนักแน่นอย่าง ภาวนามันบ่อยๆภาวนาอย่างเดียวไม่พอต้องพิจารณาด้วยต้องพิจารณาไปภาวนาบ้างพิจารณาบ้างภาวนาบ้างพิจารณาบ้างเสร็จแล้วก็จะเกิดจักขุงอุตปาธิ <S <S <n ose> นั่นเก็ ด, ดวงตาแล้วทีนี้เกิดดวงตาภายในแล้วคือดวงตามันมีกันอยู่แล้วทุกคนนั่นแหละธรรมชาติมัานให้มาแล้วที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละคือวิญ ญ, ญาณธาตุ มันมาแล้วแต่แต่๋แล้วมันปิดเนี้ยมันปิดมองไม่เห็นเลยเพราะมิจฉาทิฏฐินั่นแหละมันปิดหมดปิดหมดทีนี้พอเรามาปฏิบัติในทางที่ถูกต้องตาตัวนั้นมันลืมขึ้นลืมขึ้นเราเรียกว่าจากักโงงุตปาทิจักสู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราท่านพระพุทธเจ้าตรัสว่าจากักโงงุตปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราไอ้นี่ มันไม่พอพอเกิดจากสู่ขึ้นมาแล้วมันต้องพ um ัฒนาไปอีกหยุดนิ่งไม่ได้จากขู่งุตะปาที่นั้นก็หยุดนิ่งไม่ได้ทีนี้มันก็เห็นเห็นเห็นเห็นเหนเหอะไรเห็นทุกเห็นอะไรเห็นสุขก็เป็นทุกเห็นทุกก็เป็นทุกเห็นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกก็เป็นทุกโอ้ยมันไม่มีอะไรเลยโลกนี้มันมีแต่ทุกทุกๆุกทุกทุกอย่างเดียวจะอยู่กับมันยังไงเนี่ยมันทุกอย่างเดียว เพราะข้าไปยึดมั่นถือมันเพราะไม่เห็นมันมันข้าไปยึดมั่นถือมันคือข้าไปยึดมันถือมันเ่านี่ความรู้สึกว่านี่คือตัวกูความรู้สึกเป็นกูความหนุ่มความสาวเป็นกูความแก่เป็นกูความเจ็บเป็นกูผมหงอกเป็นกูความตายเป็นกูกูหมดกูหมดไม่เห็นทีไม่เห็ น, เ, หนเพราะว่าไม่มีดวงตาหรือว่ามีดวงตาแต่ตานั้นปิดมิดชิบ ปิดเรียบเลยหูก็หนวกตาก็บอดหมดสภาพเลยหมดสภาพอาวิชชามันปิดตามหมดไอ้เมื่อเราปฏิบัติเกิดจากขุงอุตปาธิจากขุงอุตปาธิคือดวงตาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่เสร็จแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันนะเกี่ยวเนื่องกันกันกนกบเรื่องนี้กับเรื่องอริยสัจเนี่ยมันไปนั้นเดียวกันเรื่องเดียวกัน ต้องเกิดจากกุงอุตปาทิขึ้นมาก่อนเขาเกิดจากกุงอุตปาทิก็เกิดญาณญาณเรียกว่าญาณนางอุตปาทิเกิดญาณนางอุตปาทิญาณก็แปลว่ารู้แปลว่ารู้วิปัสสนาก็แปลว่ารู้วิปัสสนานี่ก็เป็นญาธาต์ ต, ตามภาษาบาลีก็เรียกว่าญาธาต์เป็นญาธาต์ทีนี้เขา รง อ, อะไรรงยุปัจใจลองยุปัจจัยที่นี้แปลงว่ากันไปว่ากันม า, าก็แปลงเป็นปัจสัตทิ ส, ทสัทิ ส, ะะทสทใัในความเห็นทิสานี่แปลว่าเห็นเห็นทิสาธาตในความเห็นในความเห็นเีนี้ร ง, งยุปัจจัยพอรงยุปัจจัยปัจจัยคือที่อยู่ข้างหลังคือตัวยุเนี่ยก็ต้องแปลงไอตัวธาตุเดิมมันอยู่ไม่ได้ แปลงทิศาทิศาทิศาเป็นปัดษาปัดสาก็แปลว่าเห็นทิศสวาก็แปลว่าเห็นแต่ปัดสานี่แปลว่าเห็นแล้วก็ตามไวยากรณ์ตามหลักไวยากรณ์มีวิอยู่ข้างหน้าวิอยู่ข้างหน้าเรียกว่าวิปัสนาแปลงยุแปลงทิศาเป็นปัดษาเป็นปัดสาเลยยุยุตัวหลังลงยุปัจจัยยุนั้น แปลงเป็นอายุเป็ น, นเป็นนเป็นทีเป็นเป็นเป็นนวิปัสนาแล้วก็ทีกาเป็นอาวิปัสนาวินเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งวิปัสนานี่แปลว่าเห็นแจ้งแปลว่าเห็นแจ้งทีนี้ญาญญาเที่หลวงพ่อบอกว่าญาณงุตะปาทิมันเห็นแจ้งมันเห็นแ จ, งจ้งโดยจักขูงตปาทิแล้ว จักขู่อุตปาทิแล้วมันเห็นแจ้งแล้วมันเห็นแจ้งแล้วมันก็รู้ขึ้นมาอีกญานาังอุตปาทิญานก็คือตัวรู้ทั้งเห็นแล้วก็ทั้งรู้รู้ญานาังอุตปาทิยานเกิดขึ้นแล้วแก่เราไอ้นี้ญานเห็นอะอะไรเห็นอะอริยสัจเห็นใอนใอริ ย, รรยรสัจจีนนั่นแหละายานเห็นว่าโอ้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ คือพอเกิดจากตรูขึ้นมาเกิดยานขึ้นมาจากตรูเห็นยานก็ทั้งรู้ทั้งเห็นบวกแล้วตอนนี้บวกแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําลังรู้ได้แล้วนี่เห็นไหมทุกนะ่ะมันเกิดเกิดขึ้นมาทำไมอย่างทุกเกิดได้เราเห็นทุกเกิดให้เราเห็น แต่เราไม่มีปัญญาเมื่อเราไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นมันเป็นมันเชื่อเลยน่เป็นมันเชื่อเลยเห็นไหมทุกข์ก็เกิดได้เห็นไม่ใช่เกิดได้เป็นไม่ใช่เกิดได้เราเป็นเกิดได้เราเห็นเราเห็นแต่จะแล้วไม่รู้จักคุณค่าของทุกข์เลยไปเป็นมันเชื่อเลยเพราะเป็นมันก็เป็นทุกข์เลยกูเป็นผู้หญิงกูเป็นผู้ชายไปกูเป็นคนโวยกูเป็นคนรวยกูเป็น อะไรต่ออะไรเป็นไปหมดกูเป็นข้าราชการกูเป็นผู้ว่ากูเป็นรองผู้ว่ากูเป็นนายกรัฐมนตรีกูไปเป็นหมดเป็นหมดนี่ทุกข์ะเขามีไว้ให้เห็นไม่ใช่มีไว้ให้เป็นแต่มันไปเป็นเะนี้สมควรสมควรเพราะฉะนั้นสมควรเพราะว่าไม่มีตาที่นี่ทุกข์ะเมื่อเจอจักขุลงุตปาทิ จักรรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุตปาทิญาณตัวรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณในอริยสัจสี่ญาณในทุกข์ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วว่าอุอ้ยมันทุกอย่างนั้นยึดถืออะไรทุกหมดความเกิดความรู้สึกขตัวปูทุก ความแก่เอากูทุกความเจ็บเจ็บของกูทุกความตายก็กูตายทุกโอ้ทุกทางนั้นเลยทุกทางนั้นไม่มีอะไรมีแต่ทุกทางนั้นนี่เรียกว่าเห็นทุกเห็นทุกนี่อยางสามทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะท่านก็เลยเอามัน ทุกันบอกว่านี yeah, ้ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไปนิ้วกลางหรือไปนิ้วนางหรือไปนิ้วก้อยทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ทุกเรากำหนดรู้ได้แล้วกําหนดรู้ได้แล้วว่ามันทุกทางนั้นเกิดความรู้สึกว่ากูขึ้นมาทุกแล้วกูแก่กว่าทุกแล้วกูเจ็บกว่าทุกแล้วกูตายกว่าทุกแล้วกูสวยกว่าทุกแล้วกูรวยกว่าทุกแล้วดูที่ พวกดาราทุกไหมพวกดาราที่หล่อหล่อที่มันสวยสวยเนี่ยทุกไหมมาดูกระจกโอ้กูนี่มันไม่สวยเลยจมูกมันบี้เอาไปทําจมูกเอาแล้วก็โอ้มันทํำท่าจะแก่แล้วไปชี้ชี้ชี้ช้ช ช, ช, ช, ช, ชเอานี่มันกลัวมันกลัวแก่มันก็กลัวเจ็บแล้วมันก็กลัวตายมีแต่กลัวทางนั้นเลยพวกนี้กลัวมันเป็นทุกเนี่ยมันนอนเป็นทุกอยู่อย่างนั้น พอแก่แล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะแก่ก็ของกูเจ็บก็ของกูตายก็ของกูเห็นไหมอีนนี้ถ้าเราป้องกันทุกตัวนั้นว่าความรู้สึกไม่ใช่กูความรู้สึกไม่ใช่กูค ว, กกความรู้สึกที่จิตนะที่ตัวไหนที่จิตนะมีสติในการที่จะดึงปัญญามาแล้วก็ดูที่จิตว่าความรู้สึกนี้ไม่ใช่กู ความรู้สึกว่ากูนี่แหละมันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่หนังสือที่หลวงพ่อเขียนเขียนแล้วก็นั่นที่เล่มที่ออกมาใหม่น่ะว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นเล่มที่ว่าไม่ใช่กูก็คือความรู้สึกไม่ใช่กูพอความรู้สึกไม่ใช่กูสวยก็ไม่ใช่กูหนุ่มสาวก็ไม่ใช่กูแกก็ไม่ใช่กูเจ็บก็ไม่ใช่กูตายก็ไม่ใช่กูมันไม่ใช่กูหมดทําไมมันจึงไม่ใช่กูเพราะมันเป็นอนิจจัง เพราะมันเป็นทุกขังเมื่อก้าวไปยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นกูเพราะมันเป็นอนัตตาเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมันว่างจากตัวตนจึงเชื่อว่าสุญญาตาสุญญาตามันว่างจากตัวตนนี่คือมันว่างจากตัวตนจึงว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนักปฏิบัติทำไปไปเห็นหนังสือเล่มนี้ถ้ามีเงิน ซืกันเกือบทุกคนเลยเรไปเห็นเนอร้านไหนอินเนอะไปถึงที่ร้านไหนอินแม่เด็กที่สวรณภูมิก็ขายขายแล้วตอนนี้นี่เพราะว่าโยอมเมตตาก็โรงพิมพ์อมารินเขาเขาขอพิมพ์เขาขอพิมพ์้วเขา อ, อนุญาตให้เขาพิมนี่ทีนี้เขาบอกว่าสักห้าปีทำทนาญาว่าจะพิมพ์สักห้าปีาาหลวงพ่อบอกเลยพิมพ์พิม์มันทํจำไม่นะห้าปี พิมพ์ไปเลยยาวไปเลยให้ตายกันไปสักข้างหนึ่งถ้ามันมีประโยชน์เดีก็พิมพ์ไปเลยเอาเถอะหลวงพ่อไม่เอาหรอกขานั่นขาดนี้ไม่เอาหรอกถ้าจะให้หลวงพ่อบ้างก็ให้หนังซือเอาไปแจกแค่นั้นเองแจกไม่พอก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อพิมพ์เองก็ได้นี่เรียกว่าเมื่อคนก็ต้องการก็พิมพ์นี่แหละคือต้องเกิดจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิทีนี้ญาณเนี่ยญาณตัวรู้ตัวเนี่ย มันมี12นะมันมี12เพราะอริยสัจนี่มี4อริยสัจนี่มีสมมี3ยานอริยสัจสี4ทีนี้ยาน่ะมัน3ายาน่ะมัน3ยาน3ก็คือความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้ความทุกข์เรากาหนดรู้ได้แล้วนี่ยาน3ยาน3าในทุกข ทีนี้ในเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกคือราคะโทสะโมหะเราเรียกว่าสามุทัยตรงนี้แหละไ อ, ต อ, ตอ้ตัวทุกก็คือตัวอวิชชาตัวอวิชชาตัวทุกขนั่นเหตุให้เกิดทุกก็คือตัวสมุทัยทีนี้อวิชชาเนี่ยคือตัวจิตงโง่แล้วเราไปเอาจิตงโงนะ่นั่นแหละมาเป็นตัวกู พอเอาจิตโง่มาเป็นตัวกูจิตโง่นั้นมันกินอะไรมันกินสมูทัยเข้าไปสมูทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่หลวงพ่อต้องค้นหาค้นหาค้นหาค้นหาในหนังสือบ้างค้นหาที่จิตบ้างกว่าจะรู้เรื่องนี้ค้นหาค้นหาค้นหาค้นหาอ่านบ้างดูบ้างอ่านบ้างดูบ้างดูที่จิตดูจนรู้ว่าอ้าวนี่ สมุทัยนี่คือราคะสมุทัยคือโทสะสมุทัยคือโมหะราคะโทสะโมหะนี่จึงชื่อว่าสมุทัยราคะราคะขี้ฝอยข่ยคือราคะหนุ่มก็ดีสาวก็ดีท่าก็ดีแก่ก็ดีเกิดราคะขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับนอนไม่หลับนั่น นี้ราคาไหนๆบ้างราคาในวัตถุมัน <Thr iss. S 1> คิดแล้วคิดอีกคิดแล้ว ค, คิดอีกอยู่อย่างนั้นมันอยากจะได้มันอยากจะได้นี่มันกเกิดราคะในระหว่างเพศมันก็เกิดราคะในระหว่างวัตถุมันก็เกิดราคะตอนนี้วัตถุกําลังครองโลกมันเกิดราคะอีนี่ราคะมันก็ทําให้เกิดโลภะทําให้เกิดโลภะก็คือมันอยากได้ เพราะราคาอะไรมันอยากได้ทีนี้เมื่อมันอยากได้อยากมีอยากมีก็เกิดความโลภขึ้นมาอยากเท่านี้แหละมันไม่พอนี่มันไม่พอนี่ได้มาเท่านี้มันต้องการอีกทีนี้มันต้องการกันมากต้องการกันมากต้องการหลายคนก็เกิดโลภขึ้นมาแล้วคนโน้นก็ต้องการคนนี้ก็ต้องการเกิดอะไรขึ้นมาเช่นว่าตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่ง เราต้องการยศขึ้นมาแต่ได้ไอคนนั้นก็อยากได้คนนี้ก็อยากได้สอบได้กันตั้งยี่สิบคนใครเอาเงินไปให้ห้าล้านได้เลยเห็นไหมนี่มันเกิดโลภะทีนี้ไอคนที่ได้แล้วว่าเ อ, าเอานี่มันไม่ยุติธรรมนี่อย่างนี้ทําอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่ยุติธรรมกูต้องเอามันให้มันตายเลยโทสะมันเกิดแล้วเห็นไหมราคักขี ราคะคือไฟกองห น, น, นึ่งโทจักกิโทจะคือไฟกองหนึ่งนี่ไฟกองไฟทางนั้ น, นเกิดโทจัขึ้นมาก็ เ, าเลยต้องทําร้ายกันต้องอะไรกันนี่เพราะโทจะทีนี้โมหกิก็เพราะมันโง่ใช่ไหมเพราะมันโง่เพราะมันไม่รู้มันไม่รู้ว่าทำยังไงมันก็เลยแก้ปัญหาด้วยความโง่เนย เพราะไอ้ตัวงโง่ก็คือตัวโมหะตัวโมหะตัวโมหะนั่นแหละมันที่อวิชจามันมากินเข้าไปมันกินราคะมันกินโทสะมันกินโมหะเข้าไปมันก็เลยเกิดเป็นหัวหน้าใหญ่หัวหน้าเก่งเลยนั่นคือตัวอวิชชาตัวอวิชชาทีนี้เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรรตมีองแปดเกิดจากกุงอุตปาธิอะ ดวงตาปัญญาเกิดญาณอุตตปาธิตัวรู้ขึ้นมาเกิดญาณเกิดญาณขึ้นมาอนี้ญาณตัวที่สองก็ว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเหตุให้เกิดทุกข์เราละได้แล้วจะละมันยังไงเนี่ยละมันยังไงที่วันละได้แล้วเนี่ยพูดง่ายปฏิบัติยาก ว่าละได้แล้วละได้แล้วนี่ละมันยังไงสอนได้แต่ว่าปฏิบัติได้ไหมถ้าปฏิบัติไม่ได้พูดไม่เต็มปากไม่เต็มคำเขาเรียกว่าพูดไม่เต็มปากไม่เต็มคำเพราะฉะนั้นอริยสัจข้อที่สองเหตุได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเหตุได้เกิดทุกเราละได้แล้วทีนี้จะละ มันต้องเอาข้อที่สามนัน่นเอาข้อที่สามนั่นมามาจัดการกับมันเพราะข้อที่สามคือตัวดับข้อที่สามเป็นน้ําเป็นน้ําเป็นน้ำํำทีนี้ทํำยังไงให้เกิดข้อที่สาจากขงอุตปาทินี่พูดเวียนไปเวียนมากันอยู่นี้แหละจากขงอุตปาทิจากจูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุตปาทิญาณคือตัวรู้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ปัญญาตปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เรานี่เกิดปัญญาแล้วเกิดปัญญาแล้วพอตัวที่สวิชาตปาธินี่พระเอกพระเอกเกิดขึ้นแล้ววิชาก็คือตัวที่จะไปปราบปราบอาวิชาปราบอาวิชาทีนี้พอไปตัวที่หอาโลโกโตปาธิตามคาแปลว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเรา แสงสว่างอันนี้ก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาทีนี้ก็มีในแสงสว่างนั้นมันมีทั้งพลังจิตมีทั้งพลังปัญญานี่รวมกลุ่มทีนี้รวมกลุ่มจากกุฏาปาติยานุุฏาปาติปัญญาุตปาฏิวิจชาวุตปาิอาโลโกตปาิเป็นยังไงทีนี้รวมกลุ่มเสร็จแล้วก็มาแปลงตัวเป็น น้ำคือนิโรธนิโรธตัวดับตัวเอาไปดับไฟเอาน้ำนี่แหละไปดับไฟดับตัวไหนดับราคะขีโทสะกี้โมหะขีคือเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัวเหตุให้เกิดทุกข์เอา้าเอาไปดับเป็นยังไงน้ำนี่น้ำปัญญาไม่ใช่น้ำที่เราดื่มน้ำปัญญาทีนี้ราคะโทสะโมหะเปรียบเหมือนไฟ น้ำนีโรดนี่เป็นน้ำนี่โรดเป็นน้ำนีโรดก็ต้องคิดอีกเลยต้องคิดอีกเพราะมีปัญญาคิดหาตัวแทนเอาตัวราคะตัวราคะเอาอะไรไปเป็นตัวแทนราคะที่มันเกิดเกิดขึ้นมาราคะระหว่างเพศก็ดีราคะในด้านวัตถุก็ดีทํำยังไงราคะระหว่างเพศท่านบอกว่าให้เจริญ อาถุพะก ร, รมฐา น, เ, นเกษาผมเรามาขนหนะ้าขาเล็บทันตาควันตะโจหนังเนี่ยตโจหนังทีนี้ถ้าเราเอาอาการ32มบงังสังเนื้อหนะ้าหารูเอน็นะอัดกีกระดูกโค้ไปเป็นอาการ32ทีนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างสมมติว่า เราเห็นคนสวยคนเหล่อเราก็พิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาพิจารณาว่าไหนผมมันเป็นยังไงอขนมันเป็นยังไงเล็บมันเป็นยังไงหนังมันเป็นยังไงเอา้าเราดูเดีย๋ยมันมีตำหนิที่ตรงไหนมั่งเราดูโอ้ไอ้คนนี้ยิ้มสวยอไอ้ดาราตัวนี้ได้ยิ้มสวยมันมีลักนิยิ้มด้วยลักนิยิ้มบุ๋มบ๋มด้วยออืมันสวยที่ตรงไหน ถ้าเราตัดแก้มตัดเปลือกปากมันออกทั้งแก้มทั้งเปลือกปากออกมาดิมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันสวยไหมทีนี้เอาเราไม่ต้องไปตัดมันแต่เราตัดเราต้องใช้ปัญญาตัดใช้ปัญญาตัดทีนี้เอาเถอไหนพี่ชายมันคนไหนเนี่ยและพ่อมันคนไหนเนี่ยอยากจะดูพ่อมันอยากจะดูพี่ชายมันอยากจะดูตามันดูทวดมันดู อ้าวนี่ต่อไปนันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หมดท่าเลยอ้าวทีนี้ถ้าหากว่ามันตายลงในตอนนี้ล่ะมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันตายลงในตอนนี้ดูดิมันสวยตรงไหนไอ้ลักยิ้มนะมันเป็นอะไรฟันนะมันเป็นอะไรเปลือกปากมันเป็นอะไรจมูกมันเป็นอะไรตามันเป็นอะไรนี่ดูดิมันสวยไหมนี่ดูเลยดูดูเสร็จแล้ว ามันตายขึ้นมาจริงๆดูดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมานิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจะถั่ว ย, ยังไงน้ำหน้ามันก็ออกทางปากออกทางจมูกนอนเราออกทางหูนอนเราจอนใจออกมาทางตาออนี่รวยตรงไหนนิพพิทาจำมดมันมีแฝงอยู่ไอ้ตัวนั้นมันมีแฟง เสร็จแล้วโอ้ยพอตายรั่วตายร้องหม่มร้องไห้จนเหมือนจะชักตายอย่างนั้นเนี่ยพอไปดูศพก็อย่างนี้ไม่กล้าไปเตะ ต, ต้องแล้วกลัวแล้วทีนี้ไม่กล้าไปเตะ ต, ต้องแล้วทีนี้ต้องพิจรารณาพิจรารณาพิจรารณาว่านี่ของจริงของจริงไม่ใช่ของปลอมนี่ของจริงเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดนิพพทาคือเบื่อหน่ายเกิดเมื่อนายขึ้นมา แล้วจะไปนอนกอดมันได้เหรออย่างนั้นขออภัยเลยต้องพูดคำหยาบไปนอนกอดมันไปจูบมันได้ไหมได้ไหมแต่เมื่อก่อนมันโง่ไหมมันโง่ไหมมันชอบมันคิดว่าโอ้ยถ้าเป็นแฟนของเราต้องกอดต้องจูบมันอะไรมันเอาไหมตอนนี้มันเอาไหมเอาไหมขายง่ามันก็ไม่เอาให้มันฟีมันก็ไม่เอามันไม่เอาแล้วตอนนี้นี่เกิดนิพพิทานิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่มันเบื่อหน่าย พอเบื่อหน่ายขึ้นมาไอ้ที่มันเอามาโกรธมารัดน่ะเพราะอะไรเพราะมันมีความกำหนัดแต่ตอนนี้พอเบื่อหน่ายแล้วก็กลายกำหนัดจต่ว่าวิราคะเกิดนิพพีทาเกิดวิราคะเกิดวิมุตติเกิดวิมุตติโอ้ยเราก็เหมือนกันอย่างนี้แหละเราก็เหมือนกันเลยเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาโอ้ยนี่มันทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆ ไม่เอาทั้งเขาไม่เอาทั้งเราดีกว่านี่เกิดนิพพิทาเกิดวิราคะวิราคะก็คือปราศษจากราคะแล้วราคะไม่มีแล้วแล้วก็เกิดวิมุตต์จิตเบื่อหน่ายแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นเกิดวิมุตต์วิมุตตไไ้จิตนั่นก็บริสุทธิ์เรียกว่าวิสุสทธิเกิดวิสุทธิจะเกิดความสงบขึ้นมาสันติสันติสันติ เกิดความสงบจิตนั้นสงบพอนั่งดูศพนั้นแล้วก็ดูตัวเองเราพิจารณาไปจิตสงบพอจิตสงบไปเนี่ยจิตนั้นเป็นเป็นนิพพีทาเกิดนิพพีทาเกิดวิราคะเกิดวีมุติเกิดวิสุทธิจิตที่บริสุทธิ์เกิดวิสุทธิเกิดสันติสันติพอเกิดสันติมีความสงบ ทีหลังนิพพานเย็นเย็นเย็นเย็นเย็นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วทีนี้จิตนั้นก็เย็นโอ้ยไม่เอาอะไรทางนั้นแล้วตัวเองก็ไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นนี่แหละเอานิพพิทาวีรากวีมุติวิสุดที่สันตินิพพานนี้เอาอันนี้แหละคือเอาซากศพนี่แหละเอาไปทาบกับราคะราคะมันก็หายไปมีแต่วิราคะทีนี้ มีแต่วิราคะนี่คือ น, น้ำที่เป็นนิโรธเอาไปดับที่ตรงนั้นเอาไปดับไอราคะตัวนั้นแหละเสียไอ้นี้พอตัวโทษาตัวโทษ า, นะาดับมันยังไงเจริญเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาเขาด่าเราเอาเาเาเอเขาก็มีความฉุกความฉุกเถิดเขานินทาเราเอ้าเมตตาแหมเขานินทาก็เนินทาไปเถอด เขามีความฉุกความฉุกเถิดเขาด่าเราเขาก็โกหกเราเขานินทาเราเขาก็ว่าไปเถอะตามเรื่องของเขาแต่เราไม่เอาไม่เอาทางนั้นขอให้เขามีความฉุกความฉุกเถิดเขากินข้าวเขาแต่เขามานินทาเราก็มีเวลาถึงขนาดนั้นขอให้เขาทำไปดีให้เขาทําไปดีเขามีเวลาเหลือแต่แล้วก็เรียกว่ามีทั้งอิจฉามีทั้งลิษยามีทั้งอะไรทางนั้นแเละ เราก็เจริญเมตตาเมตตาเมตตาเมตตาจเจริญเมตตาจนเป็นอปปมัญญาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเราเมตากับคนนี้เมตากับสัตว์โลกเมตากับเทวดามารพรมต่างๆสัตว์นรกเทระจันอะไรเมตตาหมดแต่เมตตานี้ต้องมีปัญญากากับเพราะสัมมาทิฏฐินี่ ก็มีปัญญากำกับไม่ใช่โอ้มี อ, อะไรให้เขาหมดให้เขาหมดคนขอทานเ้าให้คนขอทานหมดโอ้ยมีเมตตามเมตามตาเมตตาอย่างนั้นเรียกว่าเมตตาโง่มันต้องฉลาดคือมันต้องฉลาดดังนั้นเราต้องจะช่วยเหลือใครจะอะไรนี่เราก็จะต้องมีปัญญาด้วยเมตตาเทศที่จะต้องกำกับด้วยวิชาคือปัญญา นี่ต้องพร้อมที น, นี้โทษะเป็นอย่างไงมันร้อนนี่มันร้อนใจนี่ก็ตกนรกที่มีโตษะแต่เราเอาเมตตาให้เขาเราไม่โกรธเขาโกหกเราทําไวเราไม่โกรธหลวงป้าหลวงพ่อก็เคยโดนมาแล้วนะเคยโดนก็ด่าด่าด่าด่าหลวงพ่อด่าหลวงพ่ อ, อ, อก็เชิญออนี่มันอย่างนี้เองจิตมันก็นิ่งนิ่งนิ่ง จิตมัน น, นิ่งอยู่อย่างนั้นล่ะก่อนที่หลวงพ่อจะบวชอีกมันเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนั้นหลวงพนิ่งอยู่อย่างนั้น น, นิ่งทีนี่เอ๊ะนี่มันนิ่งก็ด่าก็ไม่ด่าตอบก็ไม่ตอบไม่อะไรก็จังนั้นในใจก็ไม่ปู๊อาคาตปยาบาทก็พอเสร็จแล้วพอลุ่งเจ้าคนนั้นก็เดินผ่านมาอีกก็มีอายุมากหลวงพ่อก็บอกว่านี่คุณก็โตแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ หลงพ่อก็อายุแค่นี้เหมือนกับลูกกับหลานของคุณให้เรามาพูดกันดีๆที่มาข้าวมาที่มาพูดกันดีๆที่ไอ้มันรู้เรื่องขอไม่กล้าข้าวมาหลวงพ่อเนี่ยนี่โดนมาแล้วเรื่องนี้อโดนมาแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เห็นว่าอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้มันบวชดีกว่ามันมีแต่คนประเภทนี้ทางนั้นเลยเราบวชหามักผลนิพพานดีกว่าดีกว่าอยู่อย่างนี้ จะรวยจะจนไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราก็หาเอาได้แต่ว่ามันทุกข์ใจเนี่หาไปทำไมหาไปทาไมนี่โทษสโทษส า, าต้องอมเมตตาไปแทนทีนี้โมหะนะโมหะทำยังไงตัวที่ออกมาแทนก็คือนิโรธนั่นี่นิโรธจะคัดเลือกเองคัดเลือกคัดเลือกเพราะตัวโมหะ ตัวโมหานิจิตที่มันโง่มันดำกิศสนามันโง่ดักดาน่ะมันโง่ดักดาน่มันโง่โง่จนบอกไม่ถูกเอาอะไรไปแทนมันสติปัญญานั่นแหละไปแทนเอาสติปัญญาไปแทนมันเสียเอาวิชานี่ไปแทนมันเสียวิชาก็คือสติปัญญาก็คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นในเรื่องของโมหะเรื่องของโมหะ เอาสติปัญญาไปแทนพอสามตัวนี้คื อ, เ, อเราตัวที่หนึ่งก็เอานิพพิทาวิราคะน่ยไปแทนตัวที่สองก็ตัวสาก็เอาเมตตาเข้าไปแทนตัวที่สามโมหะเอาสติปัญญาเข้าไปแทนเป็นยังไงทีนี้มันก็อดอาหารที่อวิชชาน่ยไอ้ที่มันกินอยู่ประจําน่ยมันกินราคะตัสาโมหะอากินราคะตัสาโมหะเข้าไป มันก็เป็นจิตที่ประกอบด้วยอาวิชชาเป็นจิตที่เป็นตัวกู้ตัวกูตัวกูตัวกูว ก, กูคิดกูทํากูพูดกูรู้กนะายใจของกูอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของกู้นะรูปเสียงกลิก่นรสก็กูเห็นเนี่ยกู้หมดกูหม ด, หมดนั่นพวกกูนั่นคือพวกกูทั้งนั้นพวกอาวิชชาแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วอย่างนั้นมันเปลี่ยนรูปแล้วมันก็เลยตายเลยน่นอวิชฌาลก็เลยตายทีนี้เป็นยังไงญาณสามญาณสามญาณ ส, สามบอกแล้วว่าพูดแล้วพูดอีกนะไม่กลัวโยมก็จะเบื่อหรอกไหนไหนพูดแล้วพูดแล้มันจบจบเสียญาณสามเหตุในเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุในเกิดทุกเป็นทิ้งเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้เหตุในเกิดทุก เรากำหนดรู้ได้แล้วเราที่ที่นี้ก็คือสติปัญญานั่นแหละเหตุใดเกิดทุกข์ต้องรู้มันอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราต้องทุกข์ระมูไทยนิโรธมากทุกข์ระมูไทยนิโรธมากอู้มันจําได้กันทางนั้นเลยจําได้กันทางนั้นแต่เแ็จแล้วไม่มีวิธีไม่มีปัญญาที่จะดับมันทีนี้เหตุใดเกิดทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรละเหุ้ใดเกิดทุกข์ เราละได้แล้วไม่ไปยุ่งกับมันไอราคะไอโทสะไอโมหานั่นะแหละไม่ไปเอามันทีนี้พอไปตัวที่สมตัวนิโรดนิโรดนิโรดคือเหมือนกับน้ําตัวความดับตัวที่เราควรทําให้แจ้งนิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งก็คือตัวเอาไปดับนั่นะแหละตัวเไปดับนิโรดแปลว่า ด, ดับ นี่โรธาตาอย่างนี้ธาดับรูปธาตุอรูปธาตุนี่โรธาตาก็คือธาดับธาดับนิโรดก็คือธาดับนั่นลนี่โรดเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรดเป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้งนิโรดเราทำให้แจ้งได้แล้วแจ้งเต็มที่เลยมันแจ้งเต็มที่ตั้งแต่ เกิดจากขงอุตปาทิขึ้นมายานางอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาราอุตปาทิอารมโอกอตปาทิเสร็จแล้วก็มารวมกลุ่มเป็นนิโรธเป็นหนึ่งเดียวพอเป็นนิโรธขึ้นมามันก็แจ้งนี่มันก็แจ้งขึ้นมาเมื่อก่อนมันเป็นยังไงมันมืดมันมืดแต่นี้มันแจ้งนี่แจ้งมันก็เลยรู้แจ้งอะที่นี้รู้แจ้งรู้เหตุในเกิดทุกเนี่มันอะไรเอา้าราคะ โทสาโมหะอ้ไรเกิดทุกจะจัดการมันยังไงเปลี่ยนรัฐบาล น, นี้ไม่ดีไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่เรียกว่านั่นคือความฉลาดเหมือนกับว่ารัฐบาลเหมือนกันเนี่ยแน่ารัฐบาล น, นี้โกงนี่ไม่ได้ว่าใครทางรัฐบาลหรอกแต่ว่าเปลี่ยนเทียบว่าไอ้รัฐบาล น, นี้โกงมันมีราคะมันมีโทสะมันมีโมหะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอารัฐบาลใหม่ รัฐบาลอวิชาไม่เอาเอารัฐบาลใหม่ทีนี้ต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวลูกกระจกมันพวกขรก็ดีรัฐมนตรีก็ดีเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอย่าให้มันมีราคะอย่ามันมีโทษสาอย่ามันมีโมหะเอาเอาสิ่งเหล่านี้ไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเปลี่ยนตัวนี่เปลี่ยนตัวแค่นั้นตัวฉลาดก็คือนิโรดนีโรดนิโรดมีทังรู้มีทั้งแจ้ง เรีว่ามีทั้งยานตัตจนะมีทั้งวิปัชานามีทั้งอะไรอยู่ในนั้นหมดนี่คือฉะนั้นตัวนิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้งนิโรธเราทำให้แจ้งได้แล้วนี่ยานสามยานสาเอาที่นี้ไปอริยมรรคอริยมรรกกดท่องท่องให้จาให้ทุกคน ธรรมมาติฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องธรรมมาฉังกัปโปมีความดํารีอันถูกต้องธรรมมาวาจาการพูดจาถูกต้องธรรมมากรรมันโตการทํากรรมงานอันถูกต้องธรรมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกต้องธรรมมาวายาโมมีความเพียนถูกต้องธรรมมาจาิตมีสติถูกต้องธรรมมาสมาธิมีสมาธิถูกต้องนี่ถูกต้องแปดถูกต้องธรรมามาสมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้ สัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้มันเกิดมีนะต้องปฏิบัติให้เกิดมีสัมมาอาริยมรรีองแปดเป็นอย่างนี้อย่างนี้อริยมรรีองแปดเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เกิดมีอริยมรรีองแปดเราทำให้เกิดมีได้แล้วเห็นไหมนี่ทาให้เกิดมีได้แล้ว อริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละผลิตผลิตจากขงตถาปั ต, าตยานาตถาติปัญญาตถาตยวิจาตถาตยอโลโกตถาปัตยเรียมาเป็นนิโรดนิโรดนั่นแหละหาตัวแทนตรงเข้าไปฝ่ายปัญญาปัญญาปัญญาปัญญาตรงเข้าไปทรงเข้าไปพวกนั้นล่ออกหมดไม่ให้เหลือโทชาออกไปโมหะออกไปราคะออกไปนี่อยู่กับใครดีเนี่ย อวิชชาจะอยู่กับใครตายนี่อวิชชาตายนี่เห็นไหมนี่คือประการที่หนึ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องคือเห็นอริยสัจสเห็นอริยสัจที่หนึ่งข้อเห็นขันห้าหนึ่งข้อเห็นปฏิจจสมุปบาทหนึ่งข้อนี่นี่เห็นสข้อสามตน ในสัมมาทิฏฐินะเห็นสามตน้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาไม่จะเห็นกับตาตานอกต้องเห็นกับตาหน่อยคือตาปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติให้เกิดตาปัญญาคือจักขุงอุตปาทิขึ้นมาให้เกิดดวงตาภายในขึ้นมาพอาเกิดดวงตาภายในขึ้นมาแล้วมันจะไม่ยากแล้วยิ่งปฏิบัติยิ่งสนุกสนุกสนุก ย, ย, ออยิ่งคิดยิ่งออกยิ่งคิดยิ่งออกยิ่งคิดยิ่งออกจะคิดเรื่องอะไรไม่มีอะไรมาบดบังแล้วเมื่อก่อนในโมหามันบดบังทีนี่ถ้าเรารู้อริยสัจอะไรมาบดบังไม่ได้แล้วนี่มันก็รู้ยาวไปเลยยาวไปเลยทีน้เอาเวลาก็เห็นว่าพอจมกวรแล้วนะก็ขอยุติกันบรรยายในภาคค่ําเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญในเรื่องของจิตปัญญาจงเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงทุกทุกท่านเติด